Book 2 66 6สสิบสัพนามสแสดงความเป็นเจ้าของหนึ่ง 1. 1> ผมของผมยามัยวย์หรือบอสวอย ผมหากุญแจของผมไม่พบมผมหาตั๋วรถของผมไม่พบเน้นคุณของคุณคุณหากุญแจของคุณเจอไหม น่าเชื่อซิ us svoje k l u c č e คุณหาตั๋วรถของคุณเจอไหมน่าเ i ื่อซิ us svoje cestovne listki เขาของเขา on <je> uh n k k j e g o คุณทราบไหมว่ากุญแจของเขาอยู่ที่ไหนรู้ไหม t h t s e r e his k e คุณทราบไหมว่าตัวรถของเขาอยู่ที่ไหนเธอของอเธอเงินของเธอหายและบัตรเครดิตของเธอก็หายด้วย เราของเรามินาชนาชะนาเชคุณปู่คุณตาของเราไม่สบายนาชยิทยกเยชหรีคุณย่าคุณยายของเราสุขภาพดีนาชะบับกเ je ย์ส์ดราวคุณ หนูของหนูวิวาชวาชวาชเด็กๆคุณพ่อของหนูอยู่ที่ไหนเยจีกเยวาชอดสโกเด็กๆคุณแม่ของหนูอยู่ที่ไหนเยจีกเยวาชามามิชกา